ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระทนิยะกุมภการบุตรว่าทานิย ะ, ระทราบว่าเธอขโมยไม้หลวงจริงหรือท่านทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะ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 บวชอยู่ในหมู่ภิกษุนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงรับสั่งถามภิกษุรูปนั้นว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมธรรมคตจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจําบ้างเนรเทศบ้างด้วยอัตราโทษตามมูลค่าทรัพย์ที่จรกรรมมาเท่าไหร่ภิกษุรูปนั้นกล่าบทูลว่าด้วยมูลค่าหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้างพระพุทธเจ้าข้า สมัยนั้นในกรุงราชครื่อซับหนึ่งบาทเท่ากับห้ามาศพระผู้มีพระภาคทรงตำหนีท่านพระธนิยะกรมพระการบุตรโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากคุณแห่งการปารบความเพียรแล้วทรงแสดงธรรมมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้